อาจารย์โยเกะเนี่ยเป็นอาจารย์บวชอยู่ที่นี่มานานแล้วหนะึ125่งร้ยี่บหารรษาที่วาที่สุดก็คือเป็นชาวญี่ปุ่นกลาบน้ำทำดาเลมามาทำงานอยู่ที่เมืองไทยนะเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทเสร็จแล้วทำพิธ า, าไปหนห ม, นะมาเจอกับพระไทยก็ พระไทยท่านทำงานแต่ว่าท่านทำไปวางไปหน้าตาจ่าใจไม่เครียดในนณาที่นักวิชาการเนี่ยเอาจริงเอาจังยิ่งทำยิ่งเครียดเศร้ามองตาแหน่งก็สงูงเงินเดือนก็เยอะแต่ว่าทาไมยิ่งทายิ่งทุกข์มันต่างยังไงพระไม่ได้เงินไม่ได้ทองอยู่ก็ง่ายเรียบๆทำงานก็หนักทั้งวันทั้งคืนนะท่านก็สนใจขึ้นมา มันน่าสนใจนะชีวิตพระเนี่ยท่านเคยเล่าอย่างนั้นนำมาเคยฟังมาก็สรุปให้และที่สคัญที่สุดพอหลังจากที่ท่านเข้าใจธรรมะนะสมควรแก่การปฏิบัติท่านะก็เผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นนะก็มีชาวญี่ปุ่นมานั่งอยู่นะแทรกแทกอยู่กับพวกเราอนยะ่างนะี้อย่างนี้มาใหม่ก็คงไม่ใช่คนไทยหหน้าตายอย่างเงี้ยนะนะ ก, ก็ตั้งใจมานะ ขลางหลังนี่นั่งคอยยาวๆนี่หน้าตาหล่อๆเหล่า ๆ, ๆ, ๆไม่ใช่คนไทยมาทําอะไรกันเพราะฉะนี้นจะให้อาจารย์ญี่ปุ่นได้ชี้นโดยว่าประสบการณ์ตรงที่ท่านได้รับแล้วก็นําไปสอนชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นค่าตัวตายก็มากเหลือเกินปีนึกสามหมืห้าพันคนไม่น้อยนะถ้ารวมทั้งโลกแล้วโหมันยิ่งกว่าภัยทั้งปวง ภัวัตตาสงส า, ารที่เกิดจากความคิดไล่รู้มากนี่แหละความรู้ท่วมหัวตัวไม่หลอดนะีและระทายสุดมันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่างเงี้นะทำอย่างไรนะชาวญี่ปุ่นถึงจะรู้จักวิธีปฏิบัติธรรมนะอยาให้ท่านได้แสดงออกนะกับในมันครับผมครับก็กลาคารวาประรัตนตรัยประภูตประตัมประสม ขอค า, ารวะหลวงพ่อกรมแล้วก็พระคุณเจ้าทุกจ้ทุกท่านครับขอจารุมโพเมชีแล้วก็ญาติโยมนักปฏิบัติทุกท่านครับก็ต <c oughs> <c oughs> ามสบายๆครับปฏิบัติทำด้วยฟันด้วยก็ได้นะก็เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ก็ฌานสนสิงน์ก็แนะนำ ธรรมะก็ได้มาถ <c oughs> ึงวัดปาสุกรตโตคิดรู้สึกจกดียันยินเป็นคนหนึ่งเพราะว่าได้พบได้สัมปัสกับธรรมะที่มีชีวิตชีวาอยู่ ยงอยู่ในปัจจุบันในโลกนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศ ต, าตา่างๆต่มาก็รู้สึกว่าประเทศไทยนี้ก็มีความดีงามที่มีคุณค่า มากอย่างยิ่งก็คือพุทธศาสนาอย่างมีชีวิตชีวามากกว่าประเทศอื่นๆก็ว่าได้ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ถ้าเราภาสนออไปวินทบาทก็ที่ไหนก็มีญาติโยมสัตย์ตาเริ่มใส ใส่บาดเรียนพระให้พระสมปฏิบัติธรรมให้สะดวกสบายได้ที่ประเทศญี่ปุ่นที่อัตมาเกิดมาอยู่ก็กิงๆแล้วว่าประเทเอ พุทธศาสนาก็มีอยู่คนที่นับถือก็มีแต่ก้อยๆเสื่อมซ้อมไปเพราะว่าว่ามีวิธีกรรมก็มากมาย เช่ว่าเป็นการสวดศพแล้วก็สางสุสานไหวบูชาบรรพบุรุษอันนี้ก็ดีเป็นส่วนหนึ่งขอหน้าที่ของประสนและก็พุทธศาสนาแต่ว่ามีพระที่บรรยายธรรม หรือว่าอยากยอมมาไปวัดปฏิบัติธรรมน้อยรมมากอาตมาเองก็เกิดมาตั้งแต่อเกิดมาแล้วก็ถึงอายุยี่สิบกว่าก็ยังไม่ก็มีโอกาสไปวัดก็มีแต่ วันที่บูชาก่อนตายบันประลที่สุสานแต่ว่าว่บูชาไปแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ฟังตามไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คนญี่ปุ่นปัจจุบันนี้แม้ว่า ว่าเป็นคนนับตืพุทธแต่ก็ไม่ได้ฟันตามไม่ได้ปฏิบัติธรรมก่อนก็หลาย น, นี่ก็ <c oughs> ทำให้คนที่ ประสบความทุกข์ก็หาทานแก้ไขปัญหาชีวิตหรือว่ารักษาใจรักษาตัวก็อาศัยก็เงินถอนบ้านอาศัยเพื่อนบ้าน แต่ว่าจริงๆกีตาร์ผมไม่พอเพราะว่าที่เมื่อกี้อาจารย์สมสิงก็บอกแล้วก็เป็นคนที่กล้าตัวตายกันก็มากมายปี1นึก็ส ม, มึงกว่าก็นับเป็นพันหนึ่งก็เป็นร้อยกลตายกล้าตัวตายกันเป็นสำเร็จแต่ว่าคนที่สาม ไม่สำเร็จก็สิบเท่าก็วันหนึ่งก็ฆ่าจะฆ่าตัวตายหนึ่งพังคนวันหนึ่งในประเทศถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ตัวตายโดยรถจองรเป็นอุปัติเหตุก็คนที่ฆ่าตัวตายกันเจ็ดเท่าเพราะว่า คนที่เป็นรถจนตายก็กวันหนึ่งก็ปีหนึ่งก็แค่6พังคนก็น้อยกว่าเยอะกว่าคนตาคนกล้าตัวตายอันนี้ก็คิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วเป็นคนที่ฝึก ขับรถก็หลายชั่วโมงเสีย ง, งก็มากพอสมควรเดนหนึ่เดือนก็ไม่เสร็จหกเดือนต้องฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรียนด้วยก็กจบแล้วก็ต้นสอบอีกก็ได้ไวกับกี ก็เลยคิดว่าคนจะเป็นมีการระเบียบกฎชราชมพอสมควรแล้วก็คนที่รู้จักผีมือขับรถเป็นก็เลยคนที่ตายจากการรถจองกันรถลมมากแต่ว่าคนที่กาตัวตายนี่ไม่ลดมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะอะไรก็คิดว่าเราฝึกมันไม่รู้จักฝึกของอบรมา่างด้านจิตใจยิจ่งนสมัยนี้ก็มีข้อมูลเข้ า, ามามากมายแล้วก็ เป็นเป็นครอบครัวแตกยายกันมากสะดว ก, การมีการสะดวกสบายก็อยู่เป็นคนเดียวอยู่เก็บตัว mm hmm. ในห้องก็ได้ไม่ต้องทำการหนักพ่อแม่เรียนลูกสะดวกสบายไปบ้าน แต่วันนี้ก็ก็สามปังหาขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามีข้อมึงเข่าสามยิ่มมากขึ้นยิ่มมากขึ้นถ้าเราสัมผัสกับข้อมึงเข่าสารานดัางหูจมูกริ้งไงใจกับตาอย่างไงไม่รู้ ถ้าก้มเอสารเยอะมากในโลกนี้สมองของเราก็วิ่นแล้วพลัง ม, มันก็แล้วพลัง ม, มันก็มากแต่ว่าเรายังไงจะยังไงจะอยู่กับ ก็มือเข้าสารยังไงจัดงานยังไงถ้าไม่รู้ก็เหมือนกับว่าเราก็เอารถที่ดีดรู้ว่ามีพลังมากแต่ว่าเราก็เลยมันวิ่งเร็วแต่เราก็ขับ ไม่ก่อยได้ไม่รู้จักขับเร็วก็อาจจะเป็นรถจองกันมันจิตใจก็กระตบกระเทือนแล้วก็มีปัญหาจะมากกว่าสมัยก่อนที่ยังมีกรมข่าวสารน้อย แล้วก็ใช้ร่างกายก็น้อยรองหม่กว่ามว่าตอนที่ก็เอานิ้วมือใช้กดนิ้วเดี่ยวก็เปิด โซลัทธะก็ได้หรือว่าปัดลมหรืออะไรมันง่ายง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็ทนใช้ร่างกายทำงานหนักแต่ว่าตอนนี้ง่ายง่ายบางแห่งบ้านสมัยใหม่ก็แก่เอามู ไปแล้วก็น้ำก็รดน้ำก็ออกได้เป็นอัตโอนมัติก็โดยเราก็ไม่ได้ใช้กายเท่าไรด้วยแล้วก็พวกเราก็พยายามที่จะดูด้านโนอโกมากมากขึ้นเรื่อยๆ มีโอกาสที่จะดูตัวเองดูกายดูใจน้อยรอน้อยหลงก็ไม่รู้ตัวก็จองกันได้แล้วก็ปฏิเหตุจิตใจมันบาดเจ็บหนักได้ จริงๆแล้วคนที่กล้าตัวตายกมันก็มันเข้าใจปิดมีปัญหาอยู่ที่ไหนไม่ใช่เป็นอยู่ที่ร่างกายก้าร่างกายก็นี่ก็มันก็ปิดผาดจริงๆแล้วมันเลื่อนจิตใจเลื่อนดาว ที่จิตใจสร้างขึ้นมาเป็นจิตภาพบ้านเป็นความคิดบ้านมันเกิดขึ้นจากจิตใจก็เลยเราก็ให้จบหลนได้ก็แก้ปัญหาได้ทานทีไม่จะเป็นเรื่องร่างกายมันก็เรื่องจิต ใจก็เราก็ต้องจัดการกับจิตใจด้วยก็จะหมดปัญหาได้แต่ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ก็ได้มีโอกาสเห็นเป็นอาการเป็นวัตถุที่จิตใจมันเกิดขึ้นอย่างไร ทุกมันก็มาจากไหนจัดการอย่างไรแม้ว่าเราก็ฝึกผงอบรมขาบรอดได้แต่ว่าจัดการจิตใจนี่ไม่รู้จักก็เลยมังหาทางไม่เจอก็ก็ปิดผาดกาก้าตัวตายกันได้ ได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ก็สอนตั้งแต่สองปังหาร้อยหกร้อยปีที่แล้วให้คำตอบให้ ก, หการฝึกของอบรมจิตใจให้ชัดแจ่มมากรายละเอียดมากเป็นรบอบ ก็คิดว่าพวกเราก็แก้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปโดยเฉพาะที่นี้ก็2การเจริญสติก็รู้สึกตัวดูกายดูใจให้อยู่กับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ด้วย ต่างเครื่องไว้ขอมือแล้วก็เดินจองกลมอันนี้ก็ก็จ่ายได้ดีมากเป็นอุบายที่ได้ผมชัดแจ่มมากว่าคองญี่ปุ่นหลายกรมเป็นคองที่เคยฆ่าตัวตาย ก็มากันหลายคนแล้วแล้วก็คนที่ไปคลินิกไปหาหมอกินยากันมากเพราะว่าเขาไม่รู้จะแบ่งกลุ่มกลุ่มใจรู้ว่ามีจิตวิปลาสเห็นเห็นนี่เห็นนั่นเป็นไม่จัดการได้จัดการไม่ได้ เขาก็มาที่นี่แล้วก็กลับไปเป็นปกติเพราะว่าวิธีการที่ถูกต้อมสินที่เป็นรถจองเป็นนี้ก็เราก็ไม่รู้ตัวมันทีก็นอนหลับมันทีก็เมารถก็จองกัน จิตใจก็เหมือนกันถ้าเราลืมตัวไม่มีสติก็มันความคิดมันก็เกิดขึ้นแล้วก็จิตงงก็ปรนแตมไปเรื่อยๆก็เลยมันจงกันได้เป็น บาดเจ็บจิตใจความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นได้แม้ว่ามีสตินี้ก็มันรู้เท่ารู้ทันแห่งอะไรด้านนอกด้านในชัดแจมมากขึ้นแม้ว่าจิตเวทนาสัญญา เกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็แล้วก็กลับเป็นปกติได้เดินทางที่ตามตกถูกต้นไม่เป็นปัญหาไม่จมได้เพราะจาก น, นี้ก็คิดว่าพวกเราก็มาวัด ปาสุกัตโตปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นฝึกผมอบรมจิตใจให้สติมากก็สมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นมาเป็นตามปเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้มแผ่นเป็น เป็นเป็นสมาธิก็ได้สมาธิธรรมชาติธรรมชาติก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแม้ว่าเป็นการเรียนหนังสือทำงานก็จิตใจไม่วุ่ไว้ไม่อดฝืนใจ จิตใจเป็นก้าหาญก็เกิดขึ้นเขามีสติก็เบิกบานใจิตใจสว่างสวมีกำลังใจสมาธิแล้วก็เห็นชัดเห็นชัดปัญญาที่เป็นธรรมะก็ ก็เข้าใจบ้าเข้าใจได้แล้วก็การเรียนรู้เรียนหนังสือก็มันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าสิ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชัดแจนมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เป็นลบควรจิตใจเป็นกีรติตังหาอุปั ตามความคิดปรุนเตนนี่เราก็รู้จักให้ลดลมไปด้วยใช้กายใช้จิตเพราะนั้นนี่ก็ <c oughs> รับรองได้อยู่แล้วก็วเราปฏิบัติตาม ทุกวนันที่ตอนที่เราอยู่ที่นี่อธิบัติได้แล้วก็จิตใจเป็นเจริญปัตตนายิ่งขึ้นลิ่งขึ้นเหมือนกับว่า เป็นดินที่อยู่ตงสมบูรณ์ปูกอะไลแล้วก็ได้ผมดีถ้าเราจิตใจไม่ดีขึ้นแล้วก็ก็มึงเข่าสารจากด้านโอกเข้ามาหรือว่าความคิด อะไรคือขึ้นอยู่ที่ใจแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยคเป็นได้ผลดีต่อชีวิตชีวิตมีความสุขความเจริญแล้วก็เรียนรู้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นชีวิตก็สมบูรณ์แล้วก็เจริ ยิ่งยิ้นกึมไปนะครับก็คิดว่าพอสมควรเกาเวลาสำหรับอย่างนี้ก็ธรรมาก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอให้สิ่งที่เราได้ปฏิบัติในโอกาสนี้จนเจริญให้ชีวิตจิตใจของเราตรงสมบูรณ์แล้วก็ได้มีสติปัญญา มากขึ้นจนถึงมรปูนิ ป, ปานต่อปนอัก็ทุกตุกอนเตืน